วิธีสละสันถัดที่เป็นนิสกีสละแก่สง์ภิกษุูรุบนั้นพึงเข้าไปหาสงหอมอุตราสง์เฉวียงบ่าข้างหนึ่งกราบเท้าภิกษุผู้แก่พรรษานั่งกระยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญสันถัดพื้นนี้กระผมไม่ได้เอาขนเจียมดำล้วนสองช่างขนเจียมขาวหนึ่งช่างขนเจียมแดงหนึ่งช่างใช้ให้ทำเป็นนิสกีกระผมสละสันถัดพื้นนี้แก่สง์ ครั้นสละแล้วพึงแสดงอาบัติภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงรับอาบัติพึงคืนสันถัดที่เธอสละให้ด้วยยติกรรมวาจาว่าท่านผู้เจริญขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าสันถัดเพลนนี้ของภิกษุชื่อนี้เป็นนิสสคีเธอสละแก่สงฆ์ถ้าสงฆ์พร้อมกันแล้วก็พึงให้สันถัดเพลนนี้แก่ภิกษุชื่อนี้สละแก่คณะภิกษุรูปนั้นพึงเข้าไปหาภิกษุหลายรูป ผมอุตราสง์เฉียงบ่าข้างหนึ่งกราบท้าภิกษุผู้แก่พรรษานั่งกระยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญสันทัดพืช น, นี้กระผมไม่ได้เอาขนเจียมดำล้วนสองช่างขนเจียมขาวหนึ่งช่างขนเจียมแดงหนึ่งช่างใช้ให้ทำเป็นนิสสกีกระผมสละสันทัดพืช น, นี้แก่ท่านทั้งหลายครั้นสละแล้วพึงแสดงอาบัติภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงรับอาบัติพึงคืนสันทัดที่เธอสละให้ด้วยกล่าวว่า ท่านทั้งหลายจงฟังข้าพเจ้าสรนทัดพื้นนี้ของภิกษุชื่อนี้เป็นนิสกีเธอสละแก่ท่านทั้งหลายถ้าท่านทั้งหลายพร้อมกันแล้วก็พึงให้สันทัดพื้นนี้แก่ภิกษุชื่อนี้สละแก่บุคคลภิกษุรูปนั้นพึงเข้าไปหาภิกษุรูปหนึ่งห่มอุตราสงเฉียงบ่าข้างหนึ่งนั่งประยองประนมมือกล่าวว่าท่านครับสันทัดพื้นนี้กระผมไม่ได้เอาคนเจียมดำล้วนสองช่าง ผลเจียมขาวหนึ่งช่างผลเจียมแดงหนึ่งช่างใช้ให้ทำเป็นนิสกีกระผมสละสันทัดพื้นนี้แก่ท่านครั้นสละแล้วพึงแสดงอาบัติภิกษุผู้รับสละนั้นพึงรับอาบัติแล้วคืนสันทัดที่เธอสละให้ด้วยกล่าวว่ากระผมคืนสันทัดพื้นนี้ให้แก่ท่าน